พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบหกลำดับที่สิบก้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคบน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าทาบุญให้โชเฟอร์วันนี้เป็นวัน สำคัญวันที่13ตุลาที่ผ่านมาเป็นวันตํารวจแห่งชาติแต่ตํารวจอํเาเภอนายูงของเรามีท่านผู้กํากับเป็นประธานมีภารกิจธุกรกิจทั้งอํเาเภอนายูงได้ออกไปนอกพื้นที่แล้วก็ไม่ได้ทํากิจกรรมไม่ได้ทําบุญในวันตํารวจทั้งที่วันนั้นทุกปีที่ผ่านมา ก็จะมีการประชุมพร้อมหน้าพร้อมตาการทุกสถานีตำรวจจากนั้นกล่าวรายงานกล่าวคาสดุดีกล่าวคำบอกกล่าวว่าเป็นวันตำรวจแห่งชาติหลวงพ่อได้ไปเกือบทุกปีที่อำเภอนายูงแต่ปีนี้มีภารกิจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าววันนั้นท่านผู้กำกับท่านก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยถึงจะผ่านไปในวันนั้น แต่ก็ยังมีหลายวันเพราะว่าตํารวจแห่งชาติคาว่าตํารวจคํานี้ก็เหมือนกับแม่ต่อหลังต่อหลังแตนที่จะปกป้องอประเทศชาติจะปกป้องรังของตนเองเอถ้ามีอริสัตรูเข้าม า, าตํารวจก็ต้องออกไ ป, ปเผชิญหรือออกไปปกป้องพี่น้องประชาชนแปลว่าผู้พิทักษ์สันติราษาตํารวจแปลว่าผู้พิทักษ์สันติราช ปกป้องประเทศชาติให้อยู่ในความร่มเย็นเป็นสุขถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับแม่ต่อแม่แตนที่ใครเข้ามาลาวีรังของเราตําหลวจหรือออกไปปกป้องประเทศชาตินี้ก็เหมือนกันในเมื่อการออกปกป้องประเทศชาติเป็นธรรมดาก็ต้องมีอุปสรรคเรือว่ากา ร, รเผชิญหน้า ทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราทั้งฝ่ายอริศตูทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการล้มหายตายจากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ยินมาโดยสม่าเสมอเพราะนั้นถึงวันตำรวจแห่งชาติตํารวจก็พร้อมใจกันจัดงานระหว่างนิมนต์พระสงฆ์เข้าไปสวดพระปริตตมงคลจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีแล้วก็ถวายทาน แล้วก็อุทิศส่วนกุศลต่อเพื่อนตำรวจด้วยกันตั้งแต่ตั้งกรมตำรวจมานมนานก็มีผู้กเกษียณอายุราชการล้มหายตายจากไปก็มีมากแล้วก็มีประสบะการณ์มีประสบเหตุที่จะต้องล้มหายตายก็มีมากกี่เหมือนกันเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังอยู่ในวิชาอาชีพเดียวกันถ้าหาว่าท่านเหล่านั้นดวงวิญญาณเหล่านั้น ท่านเหล่านั้นรุ่นพี่เป็นลำดับลำดับมาถ้าหากว่า เ, เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นสิงสถิตยอยู่ณทิณใดตกทุกข์ได้ยากอย่างไรพวกเราก็พร้อมที่จะอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้ขอให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญ แต่ถ้าหากว่าท่านมีความสุขอยู่แล้วดวงวิญญาณเหล่านั้นมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงยิ่งขึ้นไปและก็พวกเราถ้าหากว่ายังทำภารกิจลรือทำหน้าที่อยู่ในขณะนี้ผู้พิทักษ์สันติราชแรักษาประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ขอขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรณะสุขภาระลาบยศสรรเสริญสุข ให้พวกเราร่มเย็นเป็นสุ ข, สขกายสบายใจทุกๆคนนี่แหละคือการมาทำบุญของเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอนายูงมีท่านผู้กำกับแล้วก็ท่านรองอแล้วก็ท่านประทวนทุกหมวดทุกห ม, กหมู่ทุกเหล่าที่มาร่วมกันทำบุญในวันนี้เพื่อจะอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีผู้ทำหน้าที่รุ่นพี่ รุ่นทวดของพวกเราหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับพวกเราที่ทาหน้าที่เลวามาทำบุญชดเชยในวันนี้อันนี้ก็คือในทางพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธทเจ้าท่านก็บอกว่าคนเราทุกคนทุกวิญญาณตายแล้วไม่สูญคำว่าตายแล้วสูญพวกเราก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมากนะ พอตายแล้วศูนย์เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาในก่อนที่จะได้ตดรัสรู้เป็นพระอนุตรรสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นต้นาศาสนาตนพระพุทธศาสนาก่อนที่จะวางพระาศาสนาก่อนที่จะวางพระพุทธศาสนา ให้เราได้ศึกษาถ้าพวกเราได้ศึกษาหาต้นตอแล้วว่าความเป็นมาของพระพุทธศาสนานี้เป็นมานด้วยเหตุผลอย่างไรพวกเราจะได้ศึกษาในพุทธประวัติพอศึกษาไปแล้วดูรู้แล้วว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญที่ท่านได้ตัดรู้ในวันนั้นเรียว่าปุเพนในวาสานุตติยานระลึกชาติคนหลังได้จุตูปะป า, ปาตายานการเกิดการตายของสรรพสัตว ต้องมกกลเวียนกรรมเป็นเครื่องพานํากรรมเป็นผู้ชักนากรรมเป็นผู้พาเป็นไปนีว่ากรรมมุนีนาวัตตีโลโกโสัตโลกจมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้เพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทาเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้แหละพระพระองค์จึงได้ตรัส พระพุท ธ, ธวจนะอย่างนี้ออกมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่าตายแล้วไม่สูญอย่างที่ว่าถ้าอยากจะรู้จักว่าตายและสูญหรือตายและเกิดให้พิสูจน์ตามหลักธรรมคำสอนของเราตถาคตรหรือตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บวงเอาไว้ถ้าผู้ใดได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้ศึกษาได้ดาเนินตามแนวแถวของพุท ธ, ธาแล้วผู้นั้นจะยอมรับใช่จริง พอศึกษานั่งสมาธิเข้าไปแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเนี่ยคนละอันกันร่างกายเหมือนกับรถตัวส่วนจิตใจนั้นนามธรรมเหมือนกับคนขับรถถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่มีคนขับรถไม่มีคนขับรถกั น, นั้นก็หยุดหยุดนิ่งแต่ร่างกายข อ, ของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าร่างกายไม่มีใจร่างกายเนขย่ขยับขยืดไม่ได้ แต่บางคนเอา้าถ้าขยับเขยื้อนไม่ได้ทําไมคน เ, เป็นอมมพึกอมมาพาดทำไมขยับขยืย้อนไม่ได้เพราะอันนั้นร่างกายของเราทุกพ ล, ลภาพเหมือนกับรถของเราเนี่ยเครื่องมันติดอยู่แต่ว่าล้อของมันหลุดทั้งสองข้างามันจะไปได้ไหมมันก็ไปไม่ได้แต่ลเครื่องมันติดอยู่ใช่ไหมใช่อันนี้ก็เหมือนกันเรายังหายใจอยู่แต่ว่ามันเป็นอมมพึกอมมาพาด เส้นเลือดแตกในสมองมาเป็นอัอมพาตที่เสียกหนึ่งอย่างนี้เพราะนั้นใจของเราโซเฟอร์จึงจะรู้แสนรู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องประกอบเอาหายางมาใส่นี้คงเหมือนกันก็ต้องดูแลรักษาร่างกายแต่เมื่อร่างกายถคันาลดลถมันหยุดาสายพันุ์มันขาด เ, าเครื่องมันติดคาบิลมันตัน อย่างนี้รถคันนี้ก็หมดสภาพคาบิวมันตันก็เหมือนกับเส้นเลือดไปอุดในสมองเรื่อยๆเส้นเลือดไปอุดในหัวใจอย่างนั้นน่ะ เ, เลือดมันวิ่งมาสะดวกก็ตายพอตายแล้วจะไงโซเฟอร์จะฝีมือดีขนาดไหนก็เถอะไปขับขยับยังไงก็ขยับไม่ได้เพราะรถมันตายนี่ก็เหมือนกันเมื่อตายแล้วทาไงพอที่จะซ่อมได้ไหมซ่อมได้ก็ซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้มันรถเก่าจนพอแรงนะมันจะพังหมดแล้วจะทํายังไง โซเฟอร์จะเฝ้าอยู่ในรถตลอดไปอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ต้องหนีออกจากรถเนะ่ยนี่แหละตัวที่หนีออกจากรถนั่นแหะคือวิญญาณนะคือใจพระพุทธองค์ที่ว่ามโนโปุพังขมาธรรมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คณะรัตยาธิโยมทุกลูกหลานทุกหมู่เหล่าให้ศึกษาท่านเน้นหนักเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกาย ท่านเน้นหนักเรื่องของโซเฟอร์มากกว่ารถสรุปแล้วอรถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์โชเฟอร์จะขับไปทางไหนก็ไปได้ถ้าว่าโซเฟอร์เกเรโชเฟอร์ไม่ดีโซเฟอร์ไม่ได้รับการอบรมที่ดีโซเฟอร์ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมในจิตใจโซเฟอร์ขับรถคันนี้ไปก็นั่นแหละเกเรเกตุงเสียหายไปหมดเลยทีนี้ เพออราะอเพราะโซเฟอร์ไม่มีคุ ณ, คณธรรมในจิตใจเพราะฉะนั้นโซเฟอร์ตัวนี้ควรจะได้รับการอบรมที่ดีนะอันนี้แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาวันนี้ที่ท่านผู้กํากับกับคณะได้มาร่วมกันทําบุญก็ทําบุญให้โซเฟอร์นี่แหละอุทิดส่วนกุศลให้โซเฟอร์ผู้ที่ร่วงรับดับขันไปถ้าโซเฟอร์ไม่มีเงินตกทุกข์ได้ยากเอ๊ะ พอออกจากรถไปแล้วนะไม่มีทางหนทางจะไปเออให้โซเฟอร์มารับส่วนบนุญส่วนกุศลจากพวกเรานะวันนี้อั น, นี้ก็คือเป็นการกุศลส่วนกุศลแล้วก็พร้อมกันวันนี้ เ, เมื่อพระสงฆ์จังหันเสร็จ เ, เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านพระอุปชาคงจะลงมาเพราะวันนี้จะมีการบวชพระสองรูปมีท่า น, นมาพระมาจากกรุงเทพนาคมาจากกรุงเทพหนึ่งคน แล้วก็มาจากน้องคายมาก็มาพบมาเจอกันแล้วก็ขอบวชหลวงพ่อเออเอาลูกหลานาที่บวชเข้ามาก็คือทายาทของพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราไม่ปลูกฝังทายาทไว้พระพุทธศาสนาก็คงจะล่อยหลอหมดไปเพราะนั้นลูกหลานที่เข้ามาบวชศึกษาปฏิบัติหลวงพ่อก็ยินดีอนุโมทนา ด้วยเจตนาของลูกหลานเมื่อบวชเข้ามาแล้วขอขให้ต้อง อ, อกตั้งใจศึกษาให้ดีเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนานี่จะต้องศึกษานะจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอีกต่างหากสุดตรมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างหลวงพ่อที่พูดให้ฟังใจกับกายกายกับใจเป็นยังไงพวกเราท่านทั้งหลายคงจะไม่ได้ยินอย่างนี้มาก่อนนี่ว่าสุดตรมยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยจริงไหมถูกต้องไหมเหมาะสมไหมมีเหตุผลไหมเห็นไหมว่าจินตามะยะปัญญาสุดตามยปัญญาจินตามยะปัญญ า, า, ญญ า, า, ญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งซะก่อน จากนั้นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้เราเกิดปัญญาที่แท้จริงในหลักธรรมคาสอนแล้วก็อันในสงแห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมก็ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสนี่แหละ สรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังคะ น, นั้นพวก ล, วกลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต้องเข้ามาศึกษาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพาประพฤติปฏิบัติมาเนี่เป็นของจริงไหมบรรพบุรุษของพวกเราที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่เป็นอย่างไงหรือท่านเหล่านั้นถือมาแล้วก็ถือไปแบบไม่คิดไม่อ่าน แบบโง่เง้าเต่าตุต่นอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นของจริงไหมพวกพทธศาสนาพร้อมที่จะให้พวกเราพิสูจน์โดยพิสูจน์เรื่องจิตภาวนาเรื่องทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะรู้แจง้งเห็นจริงเหมือนกับวิชาทั่ ว, วไปนะวิชาไหนในโลกที่มีมากหลากหลายจะเป็นวิชาการแพทย์วิชาวิทย์อังกฤษ อ, อะไร มีมากมายนวิชาวิสังกระส่งเกษตรวิชาเกีเกษตรนี่ก็แยกออกเป็นลกเท่าไหร่วิชาการแพทย์ก็แยกเป็นทุกเท่าไหร่เอ่คณิตศาสตร์บริหารเอ่กฎหมายมันมากมีมากหลากหลายเพราะนั่นหลักของพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเอ้ยพิชาห่วยๆหอกวิช า, ชาพุทธศาสนาเอ่หลับตาดูก็รู้ละเอ่ให้มีทานมีศีลมีภาวนาสามอย่างเท่านั้นละเราพูดแค่นั้นไม่ได้นะ มันต้องศึกษาคําว่าภาวนาคํานี้นคืออะไรมีจุดหมายอะไรศินนี่คืออะไรอย่างที่หลวงพวกเรารับศินเมื่อกี้เนี่ยเออสินห้ามีอะไรไม่ให้ฆ่ากันไม่ให้ฆ่าทรัพย์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในการมมุสาสุรามีอยู่สห้าข้อเท่านี้แหละแต่พวกเราแยกแยะดูซิว่าศินห้าข้อเนี่ยปานาไม่ให้ฆ่ากัน เ, เราคิดดูใช่ไหมเมื่อเราไปฆ่าเขานะโดยไม่มีเหตุมีผล ไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเขาขเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเราเขามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาขโมยของเราล่ะขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกฆ่าไทยอย่นี่ยเราดีใจไหมเสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาล่ะเขาก็เสียใจเอ็ ข้อที่สามกามเมซุมิตสาจาเราเวรมนีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราล่วงล้ำเขาล่ะเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราล่ะไอ้กระชากลากถูสามีภรรยาของเราเลยเอาไปเป็นของเขา เ, เราเสียใจไหมเสียใจ เ, เพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา ให้เคารพสิทธิ์เช่งกันละกันนี่แหละศีลธรรมข้อที่สีม่มุสาอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราละ่ะเขียนแจ็คแต่งให้เราบ้างเอาของเอาเห ล, ล็กไหลเอาก้อนหินมาเป็นเห ล, ล็กไหลมาขายก้อนละหมื่นละแสนให้เราบ้างพอสะเก็ดขายแล้วไม่ใช่ผ้าเห ล, ล็กไหล อ, อ ไม่ใช่ทองเป็นตะกัวอย่างนี้เราเสียใจไหมเสียใจถ้าเราไปทำให้คนอื่นเขาเขาเสียใจเขาเสียใจนะสรุปแล้วก็คือโกงหกต้มตุ๋นหลอกลวงไม่เป็นผลดีเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่านะคนที่ชอบโกงหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนี่แหละหลักธรรมคำสอนท่านพูดมาทั้ง2 5 5 6ายปีให้หลัง พวกเรานำมาคิดดูสิจริงไหมนี่แหละแล้วข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเมลยัยสุราก็กคือเหล้าเมลัยก็คือเบียรสุราเมรยะมัชฌะประมาสุราคือข้าสมัยก่อนก็คือน้ําเมาที่กันออกมาจากข้าวที่เป็นกันออกมา เมลัยในของหมักของหมักผ ล, ลไม้หมักเพราะฉนั้นท่านจึงไม่ให้ฉําฉันน้ําอัฐบานน้ําปลานะนี่ถ้าข้ามคืนสองคืนสาคืนเวลาท่าไม่ให้ทานเพราะทานเข้าไปมันจะเป็นเมลยัยเป็นเบียรเป็นเมลยัยมันเมาได้เมื่อนั้นท่านจึงเขาสุราเมระยะมัชชะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมารแต่ทุกวันนี้มีหลายๆอย่าง พวกคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นทุกวันนี้เพราะความเจริญของมนุษย์แต่ถึงอย่างไรก็ตามสรุปแล้วก็คือเมื่อเสพและดื่มเข้าไปแล้วขาดสตินะจุดนี้หลสําคัญถึงจะดื่มอะไรก็ตามถึงจะชื่อว่าเหล้าก็จริงอยู่แต่ดื่มเข้าไปแล้วไม่ขาดสติก็ไม่เป็นไรถึงจะว่าเฮโรอีนก็เถอะเฮโรอีนแต่ดื่มเข้าไปเสพเข้าไปแล้วไม่ขาดสติปกติอันนี้ก็ไม่เป็นไร แต่เมื่อดื่มและเสพเข้าไปแล้วขาดสตินะจุดนี่แหละสําคัญเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้านีคนเป็นบ้านขาดสตินะทำความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ประพฤติผิดระลาบประรวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้พวกคนขาดสตนะินี่แหละ ศีลธรรมของพระพุทธศาสนาศีลธรรมของพระพุทธเจ้าศีลห้าของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือใจเขาแจเราแต่ว่าข้อที่5นี่อย่าทําตนให้ขาดสติถ้าเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้พวกเราพุทธศาสนิกชนคณะสัตยาติโยมทุกคนนะศีลห้าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของใครผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราถ้าเราอยากจะเป็นคนดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมเราต้องมีศีลห้าแต่บางคนก็พูดกับหลวงพ่อถตาหลวงพ่อถ้าผมไม่ดื่มเหล้าก็ไม่มีหมู่เลยอย่าไปพูดอย่างนั้นสิว่ะหลวงพ่ออินไม่เห็นกินเหล้าถ้าคอยดูวันกระถินนี่มากขนาดไหนหมู่หลวงพ่ออินเออเอามานับแข่งกันดูสิเอหลวงพ่อท้าอย่างนั้นอีกนะเพราะนั้นการไม่ดื่มสุราเป็นคนดีเสอย่างเออ เป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีลึก เ, เท่านั้นแหละหมู่พวกเพื่อนมาเองถ้าคนเกเลเกตุงได้แต่คนเคเดียวกันเกรดเดียวกันกลุ่มเดียวกันมันไม่มากหรอกออคนกินเหล้าเห็นไหมพวกเราเคยเห็นไหมกินเหล้าง้อฟัดง้อเวียงมีหมู่มากไหมสียงเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อพูดทางนี้ก็ไม่ได้ดูถูกเกียดติยามผู้ใดใครผู้หนึ่ง เป็นแต่ว่าชี้ให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้ดีไหมมันเป็นอย่างนั้นดีไหมถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมเท่านั้นเองจากนั้นเมื่อเรารู้จากหนทางดีไม่ดีอย่างไรแล้วพวกเราก็จะได้เดินตามแนวแถวที่เร า, าคิดว่าถูกต้องแล้วดีแล้วเหมาะสมแล้วนะเราก็เราก็อยากจะเป็นคนดีไม่ใช่เหรอหลวงพ่ออยากจะให้คิดอย่างนั้นนะตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร ท่านผู้กำกับและคณะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ให้อุธิศสวนกุศลเน้าวันนี้หน้า